สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับใจของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะให้ความสุขหรือความทุกข์ได้มากยิ่งกว่าใจของพวกเราสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเรานั้นมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับความสุขและความทุกข์ของใจของพวกเราและสิ่งต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเรา ไปตลอดจะต้องมีวันพัดพาคจากกันมีวันสิ้นสุดถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ชั่วคราวไม่เหมือนกับความสุขหรือความทุกข์ของใจที่เป็นสิ่งที่ถาวรถ้าทุกข์ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆ ถ้าสุขก็จะสุขไปได้เลยใจของเรานี้เราสามารถทำให้มันสุขก็ได้ทำให้มันทุกข์ก็ได้เพระพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาศึกษาวิธีทำใจให้สุขวิธีดับความทุกข์ของใจจะดีกว่าไปทำอะไรต่างๆ ที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา ได้มามากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปต้องจากกันไปแต่ความสุขเลืออความทุกข์ใจนี้มันจะไม่จากเราไปมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักทำใจให้สุขมันก็จะสุขไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักทำใจให้สุข มันก็จะทุกไปเรื่อยๆตอนนี้พวกเราใจของพวกเรานี้มักจะมีความทุกมากกว่ามีความสุขกันทุกกับเรื่องนั้นทุ ก, กับเรื่องนี้ทุกมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็จะทุกไปจนถึงวันตายแล้วหลังจากตายไปแล้วก็ยังทุกต่อไปอีกเพราะจะกลับมาเกิดใหม่ เมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทุกกับการเกิดอีกทุกกับการแก่ทุกกับการเจ็บทุกกับการตายความทุกข์ของใจนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายและความสุขของใจก็มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของทางร่างกาย ถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรความทุกข์ของทางร่างกายนี้จะไม่สามารถที่จะมาลบหรือมากลบความสุขทางใจได้ใจที่มีความสุขจะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บและความตาย แต่ถ้าใจมีความทุกข์ถึงแม้ว่าร่างกายจะสุขสุขด้วยลาบยศสรรเสริญสุขด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความสุขของทางร่างกายก็จะไม่สามารถมาสู้กับความทุกข์ของใจได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราสละการหาความสุขทางร่างกายกัน สละการหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะกันแล้วให้มาหาความสุขทางใจจะดีกว่าเพราะเมื่อเรามีความสุขทางใจแล้วความสุขทางใจนี้จะสามารถกลบหรือลบความทุกข์ต่างๆของทางลาบยศสนรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายได้ เพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องพบกับความทุกข์จากการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะของร่างกายที่จะต้องแก่และจะต้องเจ็บและต้องตายต่อไปถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่หวั่นไหวกับความทุกข์ ที่เกิดจากการเสื่อมลาบยศสรรเสริญเสื่อมจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเสื่อมจากความแก่ความเจ็บความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกันควรที่จะเปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขระดับความทุกข์ทางร่างกาย เมาสู่การหาความสุขและดับความทุกข์ทั้งจิตใจจะดีกว่าเพราะเราจะได้มีแต่ความสุขและจะเป็นความสุขที่ยืนยาวนานตลอดไปไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดปุถุพะที่จะต้องหมดไปเมื่อร่างกายนี้ ถึงแก่ความตายไปพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยมีความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะทางร่างกายแต่พระองค์มีพระปัญญาที่สามารถมองเห็นอนาคตของพระองค์เองได้เห็นร่างกายของพระองค์ว่าจะต้องแก่ จะต้องเจ็บแล้วจะต้องตายไปจะต้องพัดพากจากลาบยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกนั้นกายไปพระองค์จึงทรงเห็นความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าพราะองค์จึงไม่ปรารถนาที่อยากจะพบกับความทุกข์แบบนี้ก็เลยได้ทรงทราบว่ามีวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องทุกข์กับ ความทุกข์ทางลาบยสศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปวดทัพะทางร่างกายก็ค <Poppy. S 2> ือต้องออกบำเพ็ญต้องออกออกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทางสูก่การดับทุกข์ทางลาบยสศสรรเสริญทางรูปเ <Does it? S 1> <picky S 2> สียงกลิ่นรสปวดทัพะ พระ อ, องค์จึงสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบำเพ็ญอยู่เป็นนักบวชถือศีลแล้วก็บำเพ็ญสมาธิและปัญญาจนในที่สุดพระ อ, องค์ก็สามารถทำใจของพระ อ, องค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายของทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัสได้ ใจของพระ อ, องค์นี้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังบรมมะสุขเมื่อใจมีบรมมะสุขแล้วความทุกข์ต่างๆทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปุพะะทางร่างกายก็ไม่สามารถที่จะมาสู้ได้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจทุกข์ได้ ถ้าพวกเราไม่สละความสุขทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสพดทภาทางร่างกายทางตาหูจมูกเล่นกายพวกเราก็จะต้องไปพบกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องแก่ลงไปเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย และเราก็จะต้องตายไปซึ่งไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่อยากจะตายกันเพราะรู้ว่าเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายนี้มันไม่สามารถหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทพระได้นั่นเองดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะ เร่งศึกษาให้รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันแล้วก็เอาเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะมาหาความสุขทางใจกันจะดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรเลย ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่พวกเรามีอยู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกับของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีนี้มีน้อยกว่าพระองค์มากพระองค์นี้มีมากมายกายกองมากกว่าพวกเราหลายเท่ามีประสาทสามฤ ด, ด, ดูมีลาบมียศมีสรรเสริญตลอดเวลาพระองค์ยังสละได้อย่างง่ายดาย พระ อ, องค์ทรงเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องพบกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเนื้อง่ายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปหรือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็อาจจะหมดไปได้ถ้ามีสงครามมีการต่อสู้มีการแก่งแย่งค้นราชบัลลังก์พระ อ, องค์จึง สละสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายดายถ้าพวกเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาความพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆพวกเราก็จะมีกำลังที่จะสลดความยึดติดอยู่กับความสุขทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะไปได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน ตอนนี้พวกเราขาดการมองอนาคตของพวกเรา น, นเองพวกเราไม่ยอมมองกันไม่ยอมมองความแก่ไม่ยอมมองความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมมองความตายกันเราก็เลยไม่คิดว่าเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายกันเราก็เลยหลงอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆแล้วพอมาแก่เข้าหรือมาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าเราก็จะตกใจเราก็จะกลัวเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขถ้าเราเปลี่ยนทิศทาง ของการหาความสุขจากการจากการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายแล้วหันมาหาความสุขทางใจพอใจเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะทางร่างกายพอเราไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้ว เวลาสิ่งเหล่านี้พัดภากจากเราไปเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาแล้วไม่ได้พึ่งเขาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่านั่นก็คือความสุขทางใจ <c oughs> ที่เกิดจากการบําเพ็ญปฏิบัติตามแนวทางของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรง สละราจสมบัติ ส, รรสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกมินก้นไก่เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าต่อไปในฝ่ายภาคหน้าพระวรากายของพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปพระองค์จึงไม่รอให้ความแก่ความเจ็บความตายมาบังคับให้พัดภาคจากลาบยศสรรเสริญ ส, สุข พองค์ทรงใช้เหตุผลว่าตอนนี้เรายังมีกำลังวังชามีความสามารถที่จะไปบาเพ็ญไปสร้างความสุขทางใจได้อยู่เราต้องรีบไปเสียแต่ตอนนี้เพราะถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่ได้ไปต้องไปวันนี้ต้องทำวันนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่า ไว้ทาพรุ่งนี้ไว้ทาวันต่อไปไว้ทาข้างหน้าตอนนี้ขอทำอย่างนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมาเดือนนี้ก็จะพูดอย่างนี้ไปปีหน้าก็จะพูดอย่างนี้ก็จะมีแต่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจะไม่ได้ออกไปหาความสุขทางใจกันแล้วพอไปเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็มีแต่ความทุกข์ ไม่สามารถเอาความสุขทางใจมากบมาลบความทุกข์ทางราบยศสรรเสริญทางร่างกายได้ดังนั้นเราควรที่จะหมั่นเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆหมั่นมองอนาคตอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้ขอให้เราเลิกอยู่เรื่อยๆวันละหลายๆายรอบเลิกได้บ่อยเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะมันจะเตือนเราเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้ที่เขามีไฟ ขึ้นเวลาน้ำมันจะหมดขับรถไปแล้วไฟแดงขึ้นหรือส่งเสียงร้องบอกว่าน้ำมันจะหมดแล้วรีบแวะหาปั๊มเติมน้ามันไม่ใช่นั้นเดียวเดี๋ยวเวลาน้ำมันหมดจะไปไหนไม่ได้รถจะต้องจอดจะลําบากจะยุ่งยากฉันใดการเตือนเราด้วยการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นเช่นนั้น เป็นการเตือนให้เรารีบไปเติมความสุขทางใจกันให้เราเลิกหาความสุขทางร่างกายกันเลิกหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกันเลิกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญกันเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเวลาของพวกเหล่านี้มันมีน้อยลงไปทุกวันทุกวันแลวเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ อย่างน้ำมันรถนี้เรายัางพอจะรู้ว่าเหลือกี่กิโลแต่ชีวิตของเรานี่บางทีเราไม่รู้ไม่คาดฝันจะตายแบบไม่คาดฝันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปคิดว่าโอ๊ยตอนนี้เราอายุยังน้อยอยู่เรายังเหลืออต้องนานก่อนจะแปดสิบก่อจะเก้าสิบแต่ถ้าเราอยู่ไม่ถึงแปดสิบเก้าสิบจะทำอย่างไรมีใครมาประกันได้ว่า เราจะอยู่ถึงอายุ 80-90 เวลามันจะตายนี่มันตายได้ทุกเมื่อทุกเวลาตายได้ทั้งกลางวันตายได้ทั้งกลางคืนตายได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อถึงเวลามันตายมันก็ตายได้ทันทีให้เราคิดอย่างนี้เราจะได้รีบไปเติมความสุขทางใจกันเติมน้ำมัน ทางใจกันเพื่อใจของเราจะได้มีความสุขแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายนี่คือวิธีที่จะทำให้เราสลัดออกจากความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะทางร่างกายได้ถ้าเราหมั่นคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขจากการหาเงินหาทองเราก็ไปหาความสงบกันตอนต้นเราก็ทำไปเป็นขั้นเป็นตอนก่อนก็ได้คือลดการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาให้ น้อยลงไปตามลำดับไม่ต้องแบบว่าสลัดไปหมดเลยทีเดียวถ้าเรายังไม่พร้อมถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะไปสร้างความสงบทางใจได้ไปเราก็เราก็จะไม่สามารถที่จะสร้างความสงบได้เราต้องหัดทำหัดสร้างความสงบควบคู่ไปกับการ หาความสุขจากราบยศสรรเสริญไปก่อนแบ่งเวลากันเช่นวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็ลองไปอยู่วัดกันลองไปรักษาศีลแปดกันไปปรีกวิเวกไปหัดทำใจให้สงบกันไปฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อจะได้รู้จักวิธีที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติ การบําเพ็ญการปฏิบัตินี้ก็มีรายละเอียดมากพอสมควรต้องไปศึกษาดูว่าผู้ที่เขาบําเพ็ญเขาปฏิบัติกันนั้นเขาบําเพ็ญกันอย่างไรเขาปฏิบัติกันอย่างไรเราไปศึกษาแล้วเราไปทําเป็นทักทักไปก่อนช่วงวันหยุดอย่างสมัยพุทธกาลสมัยโบราณเราก็มีวันหยุดคือวันพระเนี่ย วันพระเป็นวันที่ชาวพุทธเราจะเข้าวัดกันจะเข้าวัดไปบาเพ็ญไปสร้างความสุขทางใจกันด้วยการทำบุญทำทานใส่บาตรถวายสังฆทานถวายข้าวของให้กับวัดวาอารามกับพระภิกษุสามนเณรแล้วเราก็รักษาศีลกัน ถ้ายัางรักษาสีลห้าไม่ได้ก็กหัดรักษาสีลห้ากันไปก่อนถ้ารักษาสีลห้าได้ก็เพิ่มเป็นสีลแปดแล้วก็หัดนั่งสมาธิกันหัดจเจริญสติกันก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ในเวลาที่เรานั่งสมาธิ ให้จิตจดจอ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเช่จนจดจอ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจดจอดูลมหายใจเข้าออกในเวลาที่นั่งสมาธิถ้าเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาจเจริญสติก็ให้จิตจดจอกับคำบริกรรมพุทโธไปหรือจะให้จดจอดูกับการกระทาของร่างกายก็ได้ เวลาที่ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดแล้วเรียกว่าไม่มีสติสติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิความคิดก็จะไม่หยุดเมื่อความคิดไม่หยุดความสงบคือสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นมา ดัง น, นั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิกันต้องหัดสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องรู้จักคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือรู้จากการเฝ้าดูแลการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ใจต้องจดจ่อดูการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่สนใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถสร้างสติดึงใจให้จดจอ่ออยู่กับคําบริกรรมหรือจดจอ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถควบคุมใจให้จดจอ่ออยู่กับคําบริกรรมพุทโธหรือให้จดจอ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ พอใจสงบแล้วก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพะถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราจะมีกำลังใจที่อยากจะสร้างความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้นเราก็จะ หาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นเราก็ต้องดึงเอาเวลาจากกิจกรรมอย่างอื่นที่เราเคยใช้เคยกิจกรรมที่เราใช้กับการหาราบยศสรรเสริญกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเอาเวลาดึงออกจากกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติมานั่งสมาธิกัน แทนที่เราจะไปนั่งดูภาพยนตร์สองชั่วโมงเราก็มานั่งสมาธิกันประโยชน์ที่ได้รับจากการดูภาพยนตร์กับประโยชน์ที่ได้รับจากการนั่งสมาธินี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยประโยชน์ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการดูภาพยนตร์หลายร้อยเท่าด้วยกัน อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มคิดกันแล้วเริ่มทำกันหาเวลามาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่าลดเวลาในการใช้การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะมาสู้กับความทุกข์เวลาที่ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่หรือเวลาที่ร่างกายตายได้หรือเวลาที่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปถ้าไม่มีความสุขทางใจแล้วใจจะทุกข์จะทรมานมากและอาจจะคิดสั้นก็ได้คนที่สูญเสียอะไรไปก็จะไม่อยากจะอยู่กับความทุกข์แบบนั้น อยากจะฆ่าตัวตายกันคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายคนที่เป็นอม า, อม า, าตะอมภาษอย่างเนี้อยู่ไปก็ไม่สามารถหาความถุกทางตาหูจมูกเิ้นกายได้ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจ ก็เลยคิดฆ่าตัวตายกันแต่การฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่ได้เป็นการฆ้าแก้ปัญหาแต่อย่างใดเพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากร่างกายความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความทุกข์เกิดจากการอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลส้นกายแล้วไม่สามารถหาได้นั่นเอง ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ถ้าอยากจะฆ่าต้องมาฆ่าความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือสิ่งที่เราต้องฆ่าและเราก็จะมาฆ่ากันเวลาที่เรามาปฏิบัติทำกันเวลาที่เราจะเจริญนสตินั่งสมาธิจะเจริญนปัญญา เป้าหมายของเราก็คือการทำลายความอยากต่างๆเหล่านี้นั่นเองความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการปฏิบัติธรรมนี้มีเป้าหมายอยู่ตรงนี้อยู่ที่การฆ่าการทำลายความอยากเหล่านี้ผู้ที่ฆ่าหรือทำลายความอยากเหล่านี้ได้ ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย <Yeah. S 1> เวลาร่างกายเป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาให้หายได้หรือเป็นอมภคอมภาต <Yeah. S 1> ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ใจก็จะไม่ทุกข์แต่อย่างใดเพราะใจมีความสุขที่เกิดจากการเจริญสติ <Yeah. S 1> เกิดจากการนั่งสมาธิ <Yeah. S 1> เกิดจากการเจริญปัญญานั่นเอง yeah. นี่คือวิธีดับความทุกเวลาที่เราคิดอยากจะฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะความทุกข์มันไม่ตายมันไม่หายไปเพราะต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้ถูกกาจัดนั่นเองใปกําจัดร่างกายที่ไม่รู้อิโนอิเนาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้ท่านเรียกว่าตันหาความอยาก เช่นความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามาบําเพ็ญมาปฏิบัติมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเราจะสามารถกำจัด ความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเวลาไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่หาอยู่แล้วผู้ที่ไม่มีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไปหามันทำไมในเมื่อมีความสุขที่ดีกว่าที่ไดจากการบาเพ็ญ สติสมาธิและปัญญาก็คือได้ความสงบของใจได้ความสุขทางใจก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกาย <c oughs> เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย <c oughs> ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร <c oughs> ไม่ต้องฆ่าตัวตายฆ <c oughs> ่าตัวตายมันไม่ได้แก้ปัญหา ถ้าจะฆ่าต้องฆ่ากิเลสตัณหาที่เป็นตัวปัญหาวิธีฆ่าก็ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแต่ถ้าจะมาทำในตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วนั้นมันก็ไม่ทันการเช่นน้นลายสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือร่างกายเป็นโรครายรักษาไม่หายเป็นอมภพกอมภาะาไม่สามารถทาอะไรได้ ตอนนั้นจะมาเริ่มฝึกสติมานั่งสมาธิมันจะเริญนปัญญามันก็ไม่ทันการเสียแล้วเหมือนกับนักศึกษานักเรียนที่ไม่เตรียมตัวทำการบ้านดูหนังสือไว้เป็นระยะระยะพอถึงเวลาจะเข้าห้องสอบแล้วค่อยมาดูนี้มันก็จะไม่ทันการต้องคอยทำการบ้านคอยดูหนังสืออยู่เรื่อยๆ เ, เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อน พอถึงวันที่จะเข้าห้องสอบก็พร้อมที่จะเข้าห้องสอบทันทีแล้วก็สามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดายฉันใดตอนนี้พวกเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายกันยังไม่ล้มหละลายยังไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญยังไม่ได้เป็นอมพภพเป็นอมาพาสยังไม่ได้เป็นโรคร้ายกันตอนนี้เรามีเวลาเรา ม, มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ที่เราสามารถที่จะเอามาบําเพ็ญในการฆ่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราได้ก็คือมาฆ่ากามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสฆ่าภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นเช่นความอยากอยู่ไปนานๆความอยากมีสุขภาพดีและฆ่าความอยากความวิภวตัญหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถกำจัดตัณหาทั้งสามนี้ได้แล้วเมื่อไม่มีตัณหาความอยากทั้งสามนี้อยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปตอนนี้เรามีเวลาเรายัง มีร่างกายที่แข็งแรงอย่าเอาร่างกายที่แข็งแรงเวลาที่มีค่านี้ไปใช้กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าประโยชน์กับจิตใจเลยเช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วมันก็หมดไปแล้วพอเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้ ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ได้เลยต่อให้มีเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็ตามเวลาเกิดความทุกข์ทางใจแล้วนี้ดับมันไม่ได้ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายนีเงินทองดับไม่ได้ยศฐานะสูงขนาดไหนก็มาดับความทุกข์ใจไม่ได้ ทำสรรเสริญเยนยอมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้มีสิ่งเดียวที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าตอนนี้เราไม่มีศีลเราก็ควรรีบสร้างมันขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีสมาธิควรจะรีบสร้างกันขึ้นมาถ้ายังไม่มีปัญญาก็ควรจะรีบสร้างกันขึ้นมาตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ แต่เวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่นี้เราไม่รู้กันดงั้นเราต้องคิดเผื่อไว้เสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้หรือไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ให้คิดมันแบบเปอดพูดคิดไปให้มันเผื่อไว้เผื่อมันตายเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่เสียท่าคือถ้าเรารีบทําเสียแต่วันนี้ พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเกิดเราจะต้องตายวันนี้หรือพรุ่งนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะแกะเราก็จะตายได้อย่างสบายแต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้ไม่รีดทำเสียตั้งแต่บัดนี้เราอาจจะตายขึ้นมาเย็นนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้แล้วถึงเวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจ <c oughs> นี่คือเรื่องของ ความไม่ประมาทให้เตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดทากจากการเป็นธรรมดาถ้าเราไม่คอยเตือนใจเราจะลืมเมื่อเราลืมแล้วเราก็จะไม่มาขวนขวายในการสร้างศีล ส, ส, สมาธิปัญญากันเราก็ยังจะไปหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันต่อไปเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่จะต้องหยุดนี้มันมันทุกข์มากจึงไม่มีใครอยากจะหยุดกันแต่ถ้าเราคิดว่าการหยุดความทุกข์ที่เกิดจากการหยุดนี้เป็นการรักษาเหมือนกับการรักษาร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าต้องผ่าตัดเราก็ยอมผ่า พราะเรารู้ว่าถ้าไม่ผ่าร่างกายก็จะต้องตายเราก็ยอมเจ็บยอมเจ็บเพื่อเราจะได้อยู่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่หยุดการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกิ่นรสปดพระเราก็จะต้องเจอความทุกข์เข้ามาในวันใดวันหนึ่งและในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน เมื่อร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายจะตายเนี่ยตอนนั้นเราก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ทุกข์กับการสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปให้คิดว่าความทุกข์ที่เราเกิดที่เกิดจากการที่เรางด หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดเถาะพะนี้เป็นเหมือนความทุกข์ที่เราได้จากการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไ ป, ไปให้หมอผ่าตัดตอนนั้นร่างกายก็ต้องเจ็บแต่พอรักษาหายแล้วนี้เราก็จะสบายดัยงนั้นขอให้เราคิดแบบนี้แล้วเราถึงจะได้กล้าที่จะหยุดการหาความ สูกจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพฑแล้วก็ไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปอยู่วัดไปปีกวิเวกไปหาวัดที่สงบที่เหมาะเก่การบำเพ็ญเจริญสติสมาธิและปัญญารักษาศีลแปดเพราะการรักษาศีลแปดจะช่วยทำให้เรากําจัดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้งกายไปนั่นเอง ถ้าไม่รักษาศิ่งแปรเราก็ยังวับไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันเราต้องคิดอย่างนี้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วแล้วพอถึงเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสารเสริญสุขได้อยู่ดีอย่าให้ให้เหตุการณ์มันบังคับเราเลยเราบังคับตัวเราเองดีกว่าเพราะถ้าเราบังคับตัวเราเองให้เราหยุดเทือต่ตอนนี้เราก็จะได้มีเวลาไปสร้างความสุขทางใจกันได้แต่ถ้าเราถูกเหตุการณ์บังคับให้หยุดนี้เราจะไม่มีเวลาที่จะไปสร้างความสุขทางใจได้แล้วเราอาจจะหลงผิด แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไปซึ่งก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่ความอยากคือกามาตัาหาภาวะตันหาและวิภวตันหาที่ยังอยู่ติดอยู่กับใจและสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาสร้างความทุกข์แบบนี้ใหม่อีกแล้วก็จะสร้างความทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดแะ การเกิดนี่ก็เกิดจากการที่ยังไม่ได้กำจัดตัณหาทั้งสามนี้นั่นเองนี่คือปัญหาของพวกเราปัญหาก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่จะถูกกำจัดได้ด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำบําเพ็ญพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญ ศีล ส, สมาธิปัญญาและได้กำจัดความอยากทั้งสามนี้จนหมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระทัยของพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีแต่ความสุขบำล ม, มสุขไปตลอดพระองค์จึงซําเอาเอาวิธีการเหล่านี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรายึดพระพุทธเจ้าเป็นสลรณะเป็นที่พึ่ง เราก็ต้องดูความประพฤติของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่าไปอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนวิเศษตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญท่านก็ไม่ได้วิเศษอะไรท่านก็เหมือนพวกเราท่านก็มีความทุกข์เหมือนพวกเราท่านก็ติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนกับพวกเราแต่ท่านมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายอย่างลึกซึ้งมองแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาดูที่ร่างกายของพระองค์เองว่า ร่างกายของพระองค์ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแล้วพอแก่แล้วก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เจ็บแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้ตายก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ก็ยัมีแต่ความทุกข์ทรมานใจไปเรื่อยๆพระองค์ท่านก็เป็นเหมือนเราเลียงแต่ว่าท่านเห็นอนาคตของร่างกายของท่านแล้วท่านไม่ต้องการที่จะ ให้ใจของท่านต้องทุกข์ท่านก็เลยออกบวสชสละราชสมบัติเราก็สามารถทำแบบพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราคิดเหมือนพระพุทธเจ้าคิดให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้กระตือรือร้นเกิดการกระตือรือร้นขึ้นมาแล้วเราจะได้เริ่มหันทิศทาง ของการหาความสุขไปในทิศทางที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหันไปคือไปหันไปหาความสุขทางใจด้วยการออกบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันถ้าเราได้บาเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญพระพุทธเจ้าใช้เวลาหกปีที่หกปีเพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกมีคนสอนได้ไปครึ่งทางแต่ ขั้นสุดท้ายนี้ไม่มีใครรู้จักทางไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ตันหาความอยากนี้ตายไปอย่างถาวรมีอาจารย์สองลูปที่ไปศึกษาก็ทงสอนว่าหยุดความอยากได้ด้วยการเข้าสมาธิแต่เป็นการหยุดชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีกําจัดความอยากได้อย่างถาวร พระพุทธเจ้าเลยต้องเสียเวลาศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนั่นเองเพราะสิ่งที่อยากได้ทุกอย่างที่อยากได้นี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้อง เสียไปเวลาเสียไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่หามาได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปวิธีที่จะ <c oughs> ไม่ทุกข์ก็ต้องไม่หานั่นเองต้องเห็นว่าทุกอย่างที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์เป็นตรายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นเพียงพระ อ, องค์เดียวที่ทรงรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองด้วยการ คนคว้าศึกษาและในที่สุดพระ อ, องค์ก็สามารถกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรด้วยปัญญาคือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรา ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเรามาเรามีอะไรติดตัวมาหรือเปล่าเรามีร่างกายมีราบยศสารเสริญมีรูปเสียง ก, กลิ่นรสติดตัวมาหรือเปล่าไม่มีเรามาหามันในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วเวลาเราตายไปเราเอาอะไรติดตัวไปได้หรือเปล่าเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ให้มองอย่างนี้มองว่าทุกอย่างที่เรา อยากได้คิดว่าจะให้ความสุขกับเหล่านั้นมันจะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะมันจะไม่เที่ยงมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปมันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องมีการพัดภากจากกันถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะสามารถทำลายรากเหง้าของความอยากได้ก็คือโมหะอวิชชาพอเราทำลายรากเหง้าของโมหะอวิชชาได้ ปัญหาความอยากมันก็ตายไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปไม่ต้องเข้าไปในสมาธิถ้ามีปัญญาแล้วไม่ต้องเข้าในสมาธิก็สามารถทำลายตัญหาความอยากได้ดีกว่าการเข้าสมาธิการเข้าสมาธิก็เป็นเพียงการไปกดไปทับความอยากไว้ไม่ให้มันทำงานชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับหินทับหญ้า แต่พอออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเอาหินที่ทับหญ้านั้นออกไปหญ้ามันก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้พอออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกดด้วยกําลังของสมาธิก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาว่าพออยากได้อะไรปั๊บก็บอกมันเป็นไตรลักษณ์ปั๊บนี่มันก็ไม่อยากได้ถ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บเนี่ยพออยากจะมีแฟนก็บอกมิเป็นทุกข์เนี่ย มีแฟนแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับแฟนเดี๋ยวก็ต้องน้องห่มน้องให้กับแฟนทะเลาะกับแฟนเวลาแฟนจากไปก็น้องห่มน้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาแฟนทุบตีเราก็เศร้าโศกเสียใจนี่แต่ความทุกข์เวลาอยู่ไม่เวลาไม่มีแฟนไม่เห็นจะต้องทุกข์กับแฟนเลยนี่คือตัวอย่างของการให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราเห็นทุกครั้งที่เราเกิดความอยากสิ่งใดที่เราอยากได้ปับ๊บเราเห็นว่ามันเป็นทุกปับ๊บเราก็จะไม่เอาทันทีแล้วต่อไปความอยากทั้งหลายก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของพระเจ้าก็เลยเถึงพระนิพพานนิพานนพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากใจที่ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั่นเอง นิพพานไม่ได้เป็นสถานที่นิพพานนี้เป็นใจใจที่ทุกแล้วได้รับการกำจัดด้วยปัญญาที่พุทธเจ้าได้สรงคนพบกำจัดด้วยไตรลักษณ์เมื่อถ้ามีเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความอยากมันก็จะหดเข้ามาทันทีเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขไปตลอด และร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ในขณะที่ยังมีพระชนมายุสามสิบห้าพรรษาพระองค์ก็อยู่ตีกต่ออีกสี่สิบห้าปีด้วยกันระหว่างนั้นร่างกายจะเป็นอะไรนี้ไม่ไม่กระทบกระเทือนใจของพระพุทธเจ้าเลยร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ไม่มีไม่ได้ทำให้ใจของพระพุทธเจ้าเดือดร้อนเลย ใจของพระเจ้าสบายไปตลอดเพราะไม่มีตันหาความอยากที่มาสร้างความทุกข์ใจนั่นเองจึงขอให้พวกเราเห็นความสําคัญของการหาความสุขทางใจกันอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผดทพักษ์เลยเพราะมันจะช่วยเราไม่ได้เวลาที่เราพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไป หรือพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายให้เรามาหาสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีกว่าคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะทำให้ใจเราสงบใจของเรามีความสุขแล้วใจของเราจะไม่หวั่นไหวกับการเสื่อมของลาบยศสันนิเสญจะไม่หวั่นไหวกับความเสื่อมของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายที่จะต้องตามมาต่อไป พวกเราทุกคนยังจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่พวกเราตอนนี้มีโอกาสมีเวลาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราแก่และเจ็บและตายได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเลยจึงขอให้พวกเรารีบขวนขวายกันเพราะเวลาของพวกเราแต่ละคนนี้มันมีไม่เท่ากันไม่มีใครรู้ว่าใครจะไปก่อนใครตอนนี้มีโอกาส สร้างศีลสมาธิปัญญาได้ขอให้รีบมาสร้างกันเถิดแล้วพอเราได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสของของผู้คนที่เรารู้จักหรือของร่างกายของเรามันจะไม่ได้มากระทบกระเทือนใจเราเลยใจเราจะสุขจะสบายเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลําดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหา ถ้ายังไม่มีใครจะถามก็ให้ทางพิธีกรเอาคำถามที่ทางบ้านฝากมาถามก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถามสดจากทางเฟ e บุ๊กและยูทู e ต่อไปอเชิญคำถามจากทางบ้านจากคุณสมบูรณ์ถ้าจิตเรานิ่งแล้ว รวมจิตอยู่ข้างหน้าสงบแล้วเกิดตกใจกับเสียงที่ได้ยินต้องเริ่มใหม่อีกอยากจะถามว่าควรทำอย่างไรไม่ให้ตกใจหรือจิตตกครับอ๋อก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติไปให้มากขึ้นไปใหม่ๆสติเรายังมีกำลังไม่มากพอเกิดอะไรขึ้นมาก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าตกใจแล้วเราก็กลับมาตั้งตั้งหลักได้ใหม่ก็ ไม่เสียหายตรงไห น, นเพราะเป็นปกติคนเรายืนแล้วก็ต้องล้มบ้างเป็นธรรมดา เ, าเวลาล้มขอให้ลุกขึ้นมายืนต่อได้ก็ใช้ได้กาบหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อสองวันที่เราหนกไปเปยี่ยมคนไข้ end of life ค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วพอดีไปเจอพระอาจารย์อีกองคหนึ่งที่ท่านก็มาโปรดคนไข้เนี่ยค่ะก็เลยได้คุยส น, นทนาธรรมกัน นิดหน่อยอะค่ะหนูก็เลยทำบุญกับท่านไปใส่ซองไปแล้วจะลากับท่านก็เลยบอกว่าเอาเงินใส่ซองทำบุญเนี่ยมันง่ายให้ hey, ละบาปด้วยนะหนูก็เลยไม่เข้าใจหนูก็เลยบอกเอ๊ะพระอาจารย์หนูก็ถือสีนห้าเป็นปกตินะเจ้าค้าแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้หนูละบาเนี่หนูไม่เข้าใจว่าละบาปของพระอาจารย์แปลว่าอะไรท่านก็บอกว่าการที่เราอะ บอกว่าหนูว่ามีอารมณ์ที่เศร้าหมองแล้วก็เออบางทีมีความทุกข์แทรกเข้ามาในในแต่ละครั้งเนี่ยนั่นคือบาปหนูก็บอกว่าเอ๊ะมันจะไปบาปคือไม่เข้าใจเจ้าค่ะว่าเอ๊ะเราก็รักษาศีลห้าเราก็ระวังเรื่องการทําบาปอยู่แล้วเนี่ยเจ้ า, าค่ะมันจะไปบาปยังไงเจ้าค่ะก็ท่านหมายถึงบาปทางใจมั้งความเศร้าหมองทางใจเรียกว่าอากุศลที้คําพูดเราก็ใช้การปนกันไปกันปนกันมา บาปเพื่อส่วนใหญ่แล้วก็หมายถึงการกระทําทางกายทางวาจาเช mm hmm. ่น mm hmm. การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นี่เรียกว่าบาปแต่ความเศร้าหมองทางใจนี่เราเรียกอกุศลก็เป็นบาปทางใจถ้าเราจะใช้โวหารคําพูด mm hmm. ก็มีเท่านั้นเองท่านว่า oh. นอกจากการทําบุญแล้วรักษาศีลแล้วก็ต้องทําใจให้สงบทําใจ <Okay. S 1> ให้สว่างไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ทุกข์เ <Okay. S 1> ท่านั้นเอง <Can S 1> เอ โอค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือพยายามอย่าให้มีบาปทางใจใช่ไหมเจ้าค่ะคิดโกรดนี่ก็บาปนะโกรอใครขึ้นมาก็บาปนะโลคก็บาปนะอยากได้กระเป๋านี่ก็บาปตัวข้าแล้น้อยใจเหรอคะก็บาปเหมือนกันดีใจก็บาปต้องเฉยเฉยได้ต้องเป็นอุเบกขาถึงจะไม่บาป พอดีใจแล้วเดี๋ยวเกิดสิ่งที่เราทําให้เราดีใจหายไปก็เสียใจแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเมื่อรอบที่แล้วอ่ะหนูมาอยู่กุดเจ้าค่ะหนูก็หลับไปตอนสามทุ่มครึ่งแล้วตอนก็หลับอย่างสบายเลยเจ้าค่ะแล้วพอห้าทุม <c oughs> <c oughs> มีคนเบิร์นมีใครมาเปิดกรงกรงหนูออกไปอะค่ะแล้วก็เดินขึ้นบ้านมา <c oughs> แล้วก็ตื่นขึ้นมาเองแล้วก็ จะเปิดหรือไม่เปิดดีเป็นคนหรือเป็นอะไรดีก็เลยตัดสินใจว่าไม่เปิดดีกว่าเจ้าคะ่ะเพราะว่าจิตเรายังรับไม่ได้คร<อ>าวนี้ก็บริกรรไปเรื่อยๆแล้วก็หายเงียบไปอะคะ่ะถ้าถ้าเจออีกคราวหน้านี้จะยังไงดีเจ้าคะ่ะก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเขาไม่เอาเงินมาให้เราก็ไม่ต้องไปเ <c oughs> ปิดถามมาก่อน <c oughs> เอาเงินมาหเปล่าถ้าไม่มีเงินก็ไปก็ ก็ก็นั่งบริกรรมเรื่อยๆก็จะบอกเอ๊ะจะพังประตูคือคือกลัวว่าจะเป็นเป็นคนเจ้าค่ะว่าจะพังประตูเข้ามาหรือเปล่าในอุปทานของเราเองนะเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นใจหลอกใจเองค่ะก็ก็กช่างมานันก็ทําใจให้สงบไปอ ย, อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ทําให้เรากลัว พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็หายกลัวจิตจิตจิตมันไม่พูดโทแล้วมันพุโทโธธรรมโมสังโคพุโทโธธรทมโสังโค ไ, ไปเลยเจ้าค่ะวิธีไหนก็ได้คอยหายใจเราอย่าไปคิดถึงเรื่องที่กาลังทําให้เรากลัวอ <c oughs> นี่ก็คือเป็นอุปสรรคทําให้เราแบบเนี่ยปฏิบัติยากยากขึ้นเจ้าค่ะยากตรงไหนล่ะยากเพราะว่าเราอยากจะแบบว่าอยู่ไม่มีอะไรกวนเจ้าค่ะอะเราต้อง พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนัตตา<อ>เป็นธรรมชาติเหมือนลมพัด<อ>เหมือนอะไรฝนตกเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราสามารถไม่ไปเดือดร้อนกับเขาได้ถ้าเรามีสติกากับใจของเราให้นิ่งให้สงบไป อ, อย่าไปอยากอยากแล้วมันทําให้เราทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นกรณีคนแล้วเจ้าค่ะก็เหมือนกันนะเข า, ถ, าถ้าเรา ห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเราก็เฉยเฉยไปไม่ต้องไปต้อนรับเขาไม่ต้องอะไรอยู่เฉยเฉยไปเราก็จะพังเขามาก็ถือว่าเป็นกรรมของเราแล้วโทรศัพท์หนึ่งเก้าหนึ่งไป <laughs> หนูก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าหนูว่าปิดไฟหมดเลยกุฏิหนูเหมือนไม่มีคนเขาก็เลยแค่จะเข้ามาทำขโมยอะไรหรือเปล่าแค่ให ญ, ญ่มันจตร้อนมากกว่าจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคน ถ้าเรามีเงินร้อยล้านอยู่ในนั้นมันก็น่าจะมีคนนะถ้าไม่มีเงินมันไม่มาให้เสียเวลาหรอกอทางนี้มีคำถามนะกาบขอถามหลวงพ่อนะครับผมเพราะว่าผมมารอบที่แล้วนะครับพอดีผมได้มาฟังธรมแล้วก็ได้เอาถึกหนังสือหลวงพ่อไปศึกษาเกี่ยวกับตันหาแล้วก็ภาะวะตันหาวิภาวะตันหา แต่ถ้าเรายังอยู่ในชีวิตคารวะมีบ่วงมีห่วงของคองอยู่นี่ครับแล้วเราจะมีหลั ก, กจิตหลักใจยังไงครับที่ว่าจะเข้าใจกับตันหาแล้วก็เภาวะตันหาวิภาวะตันหาอันนี้ครับผมเข้าใจยังไงเข้าใจคืออยากรู้ว่าเราจะเอาหลั ก, กจิตหลักใจยังไงครับที่ว่าจะเข้าใจเรียนรู้กับที่ว่าเราต้องเจอตันหาสามตัวนี้ครับอ๋อเราก็ใช้หลักมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดนะ อย่าไปอยากอยากแล้วมันทุกข์รเราก็ทําไปตามกําลังของเราแล้วก็อย่าไปโลภมากให้เอาน้อยๆพออยู่ได้ก็พอเศรษฐกิจพอเพียงรเราก็จะปราบคุมความอยากไม่ให้มันมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้มากออยากในสิ่งที่จําเป็นเช่นอยากในปัจจัยสีน่นี้ไม่ไม่เป็นปัญหาอยากในอาหารเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย ถ้ามีพอแล้วก็ต้องหยุดมันอย่าไปอยากมากไปกว่า น, นั้นพออยู่ได้ก็พอรเรียกว่าสันโดรมักน้อยเอาเท่าที่จำเป็นสันโดดก็คือถ้ามันขาดแคลนก็มันมีเท่านี้ก็ก็พอใจอดข้ามอดมือ้อกินมื้อก็โอเคอย่าไปหุ้นวาใจกับมันคิดว่าเป็นความของเราเป็นความสามารถของเราที่ทาได้เท่า น, นี้ก็แล้วกันถ้าใจเราไม่มีความอยากที่จะ ได้มากกว่าที่เราได้มาเราก็จะไม่ทุกข์กันยินดีตามมีตามเกิดนี่ก็สันโดษมักน้อยแปลว่าเอาเท่าที่จําเป็นค่าผมแค่นี้แหละครับเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละมาจากคําว่ามักน้อยสันโดษหลวงนี่ท่านเป็นพระแต่ท่านใช้ภาษาโยมให้โยมฟังแล้วเข้าใจแต่ในหลวงท่านก็ศึกษาธรรมะมาท่านก็รู้คําว่ามักน้อยสันโดษ แล้วนะท่านก็เอามาเปลี่ยนเป็นเศษรษฐกิจพอเพียงครับผมับขอบคุณมากครับต่บอไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กนะครับจากคุณแซมสารานะครับเริ่มปฏิบัติแรกๆเมื่อสิบปีที่แล้วสงบมากแต่ทำไมยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งรู้สึกมองอะไรก็ทุกข์ และรู้สึกว่าหนทางยังอีกยาวไกลมากท้อถอยบางครั้งอยากขันหลังให้กับการปฏิบัติเลยก็สแสดงว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเขาเรียกว่าปฏิบัติถอยหลังปฏิบัตินี้ก็ต้องมีสติคอยกำกับความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้น เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องกำกับความคิดควบคุมความคิดต่อไปความคิดเราแล้วเหล่านี้แหะที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจกันถ้าเรามีสติเราก็หยุดมันพอหยุดมันแล้วความไม่สบายใจต่างๆมันก็จะหายไปหรือถ้าเราสอนให้คิดในทางปัญญาได้เราก็จะใช้ปัญญามาดับความวุ่นวายใจต่างๆได้ คำถามจ้าคุณสมชายนะครับผมมีสติคอยเป็นเพื่อนตลอดเวลาและเป็นเพื่อนตลอดไปสามารถทำให้ผมพ้นทุกข์ได้ไหมครับสติอย่างเดียวไม่ไมพ้นทุกข์อย่างถาวรพ้นทุกข์ได้ชั่วคราวพอเวาเราเผลอสติเราปล่อยให้ตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาได้ใหม่นอกจากสติแล้วเราต้องสร้างปัญญาขึ้นมา ต้องมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเป็นคนที่เราชอบเราก็ต้องเห็นว่าเป็นอสุภะถ้าเห็นอาหารที่เราชอบเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นปฏิกูลถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะดับความอยากได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้คำถามข้อต่อไปจากคุณลักษณ์นะครับ หนูได้เคยปฏิบัติธรรมบวชเจ็วันจนถึงการรวมจิตได้ในครั้งแรกทำให้ปิติมีกำลังใจยิ่งนักและนำมาเป็นหลักชัยเป้าหมายหลักในชีวิตมาตลอดขณะอยู่บ้านก็ชอบฟังธรรมการถามตอบในคลิปของหลวงพ่อคลิปการพัฒนาจิตใจและวางความคิดให้ถูกที่ถูกทางหลายๆครั้ง ที่เกิดกิเลสขึ้นเช่นอยากเลี้ยงลูกหมามากเพราะมันน่ารักลูกๆ ก, ก็อยากได้คิดจบปุ๊บก็มีคําตอบว่าไม่เลี้ยงดีกว่านะลูกเลี้ยงไปก็จะรักผูกพันมากเดี๋ยวมันตายเราก็เศร้าอีกอย่างไปดูละครเวทีที่ลูกอยากดูก็สนุกดีคะ่ะแต่ยังไม่ทันถึงบ้านออกจากโรงเห็นความวุ่นวายก็คิดว่านี่มันสนุก แค่ตอนดูออกมาบางทีก็ลืมความสนุกซะแล้วเหล่านี้คือปัญญาในการเจอบททดสอบใช่ไหมเจ้าคะงั้นอยู่บ้านควรฝึกเช่นไรต่อดีเจ้าคะอยู่บ้านก็พยายามทำใจให้สงบระงับความอยากต่างๆพราะความอยากมันจะเดินให้เราออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปวุ่นวายงั้นถ้าเวลาเกิดความอยากก็ให้ใช้ปัญญาหรือใช้สติหยุดมัน เพื่อที่ใจเราจะได้สงบแล้วก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปออกไปนอกบ้านให้เหนื่อยไปเปล่าๆคำถามจะคุณพิรัตนะครับการทาบุญทาทานว่าต้องมีขอบเขตปริมาณแค่ไหนถึงจะดีเพราะเห็นข่าวช่วงนี้มีข่าวว่าภรรยาทำบุญจนทำ ให้หมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเขาทาถูกต้องแล้วที่ทาบุญจนหมดตัวอย่างนั้นออทำบุญที่แท้จริงก็คือทำบุญเพื่อออกบวชไงนี่แหละเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำบุญถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องออสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปถ้าเรายังติดอยู่กับการดูแลหาเงินหาทองอยู่เราก็ไปไม่ได้ ถ้าเราอยากจะไปบวชเราก็ต้องสละทำบุญยกให้คนอื่นไปนี่คือเป้าหมายหลักของการทำบุญไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ล่ำให้รวยทำบุญเพื่อเราจะเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเป็นนักบวชได้ถ้าเรายังติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอยู่มันก็จะไปไม่ได้ คำถามข้อต่อไปนะครับจะคุณวันณพานะครับยอมและหยุดแล้วแต่ไม่เย็นจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ยังไม่ยอมจริงนะถ้ายอมจริงมันก็จะหยุดจริงหยุดจริงแล้วมันก็จะเย็นจริงเแสดงว่ามันยังถ้ายังไม่เย็ดก็แสดงว่าหยุดยังไม่หยุดจริงยังไม่ยอมจริงยังยืงย้อกันไปยื้อกันมาอยู่ถ้ามันเย็นนะมันถึงจะหยุดจริงยอมจริง คำถามจะคุณบูมนะครับ mm hmm. เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติแล้วทำไมเราถึงต้องกลัวการเกิดและถ้าหยุดการเกิดได้ก็ไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหมครับไม่ใช่ธรรมชาติคือการไม่เกิดการเกิดนี่การผิดธรรมชาติเพราะเกิดแล้วมันทำให้เกิดความทุกข์ตามมาดันั้นการไม่เกิดนี่แหละเป็นธรรมชาติที่แท้จริง การจะไม่เกิดก็ต้องไปหยุดต้นเหตุของการเกิดต้นเหตุของการเกิดก็คือความอยากทั้งสามนี่กา마ตันหาภาวะตันหาแะวิภาวะตันหาพอกาจัดความอยากทั้งสามหมดได้จิตก็อยู่ตามปกติไม่ต้องมาทุกกับความเกิดแก่เจ็บ ต, ตายอีกต่อไปคำถามจากทาง u t u b e นะครับถ้านิพพานเปรียบได้เหมือนการสอบ แล้วได้ร้อยคะแนนหากแต่ในชาตินี้สามารถทําคะแนนได้แค่20คะแนนแล้วชาติต่อไปเราจะมาเริ่มทําคะแนนที่21เลยใช่ไหมครับใช่ถ้าเราบรรลุขั้นที่1คือพระโสดาบันแล้วเราก็ไม่ต้องมาทําขั้นโสดาบันอีกเราก็ไปทําขั้นที่สองคือขั้นสกิ ด, ดาคามีต่อไปถ้าเราได้ขั้นที่2เราก็ไม่ต้องมาทําขั้นที่1ขั้นที่2อีกเราก็ไปทําขั้นที่สาต่อ คำถามข้อต่อไปจากคุณลุงทิวานะครับเราจะทำใจให้ว่างได้อย่างไรคะต้องหยุดคิดเนี่ยต้องใช้สติใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปใจเราก็ไม่สามารถคิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะว่างขึ้นมาคำถามจากคุณสุ บ, บันนะครับขอทราบกุศโลบายในการควบคุมจิตฟุ้งซ่านครับพระอาจารย์เช่นเดียวกันก็ต้องใช้สติ บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆยิ่งคิดเหมือนก็ยิ่งฟุง้งพอเราพุโทโธพุโทโธไปปั๊บเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันก็หายไปคำถามจากคุณพลนะครับผมไม่รู้จะช่วยแม่อย่างไรดีจะพาแม่มาวัดนั่งสมาธิแม่บอกว่าทําไม่ได้ เพราะว่าหวังหาปูหาปลามาขายครับก็เพราะแม่เขาขอร้องให้เราช่วยหรือเปล่าล้วแม่เขาไม่ได้ขอร้องให้เราพามาเราก็อย่าไปกังวลกับท่านเยท่านมีความสุขกับพฤติกรรมของท่านก็ต้องปล่อยท่านไปเอของนี้บังคับกันไม่ได้ชวนกันได้บอกกันได้แต่อยากจะทําหรือไม่ทํานี่เราไปควบคุมไปสั่งเขาไม่ได้ครับ ท่านคุณลักษ์ถามเกี่ยวกับการร่วมบุญมานะครับตอนนี้อยากเอาเงินไปร่วมทำบุญกับหลวงพ่อมากเพราะฟังธรรมเห็นญาติโยมไปทำบุญแล้วยิ่งศรัทธาอยากไปแต่ว่ามันไกลไปก็ไปไม่ถูกหลวงพ่อมีเลขที่บัญชีของลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้ให้ลูกได้ส่งเงินไปทำบุญได้บ้างไหมเจ้าคะทำที่ไหนก็ได้หรอกทาวัดใกล้บ้านก็ได้ทากับ อ, องค์กรสาธารณะก็ได้ทากับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ทาที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเหมือนกันได้บุญเหมือนกันไม่ต้องมาวุ่นวายกับการที่จะต้องมาส่งแล้วมากังวลว่าได้รับหรือไม่ได้รับทําแบบเห็นกับตาเลยดีกว่าเห็นขอทานมาก็ให้มันไปเลยคนหิวข้าวโซเซมาก็ซื้อข้าวให้เขากิน ก็จะมีความสุขแล้วได้บุญแล้วเหมือนกันส่วนธรรมะก็ได้ยินจาก y o u ูทูบได้ยินจาก facebook อยู่แล้วอคือที่เราเลือกทําบุญกับพระเพราะนอกจากได้บุญแล้วยังได้ธรรมะด้วยแล้วธรรมะนี่มีคุณค่ามากกว่าบุญที่เราทํามีอนิสงส์มีอนุภาพมากกว่าเราบรรลุธรรมได้ต้องบรรลุ ด, ด้วยธรรมะการทําทานนี่ทําให้เราบรรลุไม่ได้ ต้องอาศัยการฟังธรรมเราจรึงเลือกธรรมกับพระอริยะเจ้ากันถ้าเราอยากจะบรรลุธรรมกันแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมาถึงที่ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ไปถึงบ้านเราแล้วเราเปิด y o u ูทูปเปิดเฟซบุ๊กดูได้ฟังได้ทันทีสามารถบรรลุธรรมได้ขณะที่ดูที่ฟังได้ถ้าเรามีปัญญาที่จะใช้เอามาดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ คำถามหมดครับอาจารย์อย่านั่งพักสักเดียวเพื่อใครอยากจะถามต่ออ๋อพี่หมอถามว่าจิตที่ดีเป็นอย่างไรครับอาจารย์จิตที่ดีก็จิตที่ไม่มีความทุกข์จิตที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเป็นจิตที่ดี เหมือนเด็กดีเด็กดีดีพ่ออะไรไม่มาสร้างเรื่องให้พ่อแม่ปวดหัวจิตก็เหมือนกันจิตไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็เรียกว่าจิตดีจิตจะดีได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเพราะมีศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะสงบจะไม่ทำบาปจะไม่ไปโลภไปโกรธไปหลงไปเกลียดไปอะไรจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวกับใครจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเรา แลวจิตดีจิตดีจะดีได้ก็ต้องอยู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการครบถ้วนทุกอย่างศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์สมาธิก็ทําให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลาเห็นอาหาเดยปฏิกูลสัญญาตลอดเวลา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจิตก็จะเป็นจิตที่ดีจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นพระอาจารย์ครับขอถามอีกข้อนึงครับพอดีผมได้ฟังของธรรมะของหลวงตามหาบัวครับท่านบอกว่าท่านได้หลักจิตหลักใจจากหลวงปู่มัน่นความหมายของคาว่าหลักจิตหลักใจนี่คือมันเป็นแบบไหนครับผม ก็วิธีการที่จะรักษาใจให้เราสงบให้เราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆก็คือหลักจิตหลักใจ <c oughs> คือมีสมาธิมีปัญญานั่นเองสิ่งที่จะเป็นหลักจิตหลักใจของพวกเราก็คือสมาธิและปัญญา <c oughs> ถ้ามีสมาธิก็ได้หลักหลักชั่วคราวเวลาเผลอออกจากสมาธิมาก็เซได แต่ถ้ามีปัญญาประกอบอีกทีหนึ่งก็จะไม่เสกก็จะจะมีหลักยึดเหนี่ยวของจิตใจคือจะไม่ทําให้ใจต้องทุกข์วุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่างๆครับผมนี่ครับขอกราบเรียนถามหลักคิดในการทางานนะคะคือในที่ทํางานเวลาเราทํางานกับหลายๆคนแล้วอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแล้วเวลา ถูกถามขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเราบ้างอาจจะเกิดจากคนอื่นบ้างทีนี้บางครั้งเท่าที่เห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะโยนให้คนอื่นก่อนในทํานองเดียวกันบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราโยนให้คนอื่นหรือเรารับไว้เองมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวทีนี้การอธิบายมนควรจะทํำยังไงคะเพื่อจะไม่ให้เกิดอกุศลทางใจเราแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นเออ็ต้องพูดไปตามความเป็นจริงเนยผิดตรงไหนก็ว่าผิดตรงนั้ น, น, นถูกตรงไหนก็ถูกตรงนั้น ไม่ต้องเกรงใจกันถ้าเราพูดด้วยการไม่มีอคติพูดด้วยเหตุด้วยผลต้องตั้งเจตนาไว้ดีๆเลยใช่ไหมคะว่าไม่ไม่ต้องการที่จะว่าใครหรือถ้าเราคิดว่าถ้าพูดไปแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายเกิดเรื่องก็อย่าไปพูดมันก็ต้องบางทีก็ต้องชั่งน้ำหนักดยว่าควรหรือไม่ควร <c oughs> ถ้าพูดไปแล้วเกิดมีปัญหามากขึ้นก็อย่าไปพูดดีกว่า ถ้าพูดแล้วคนฟังเขารับได้ก็พูดไปถ้าเขารับไม่ได้ก็อย่าไปพูดขอบพระคุณค่ะแต่อย่าพูดอย่าพูดปดอย่าพูดผิดพูดตามความเป็นจริงรถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าพูดถ้ารับไว้เองเลยล่ะคะ่ะจะได้จบอย่างนี้ได้ไหมคะมันก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่ามันจบแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนทาผิดแล้วเราไม่ไปชี้ผิด เขาคิดว่าเขาถูกเดี๋ยวคราวหน้าเขาก็ทำซ้ำอีกมันก็ผิดอีกอย่้นถ้ามันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าถ้าปล่อยให้ผิดแล้วมันไม่เสียหายหรือเสียหายน้อยกว่าการไปพูดงนี้นเราก็อย่าพูดแต่ถ้าไม่พูดแล้วทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าเราก็ต้องพูดต้องขบคุณค่ะต้องดูผลกระทบที่จะตามมา กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมแม่แม่ท่านไปตรวจมาแล้วก็บอกว่ามีเชื้อมะเร็งค่ะพระอาจารย์แล้วทีเนี้ยปกติท่านก็เป็นคนชอบทานโน่นทานนี่อยู่แล้วก็เป็นคนเจ้าเนื้อสักนิด น, นึงแต่พอท่านทราบว่าท่านมีเชื้อมะเร็งแต่หมอก็ยังไม่ฟันธงค่ะนัดตรวจอีกทีก็คือวันที่สิบเอ็ดมกราถึงจะรู้ผลที่แน่ชัดแต่ตอนเนี้ยคือ ท่านไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยแล้วก็ชวนท่านทําบุญท่านก็บอกว่าแม่ไม่มีแรงไปค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยแม่ได้อย่างไรอย่างพวกหนูมาทําบุญอย่างเนี้ยแล้วก็ท่านจะได้อนิสงส์กับพวกหนูไหมคะอ๋อบุญนี้ของใครของมันต้องทํากันเองก็เป็นเรื่องของกรรมของแม่ไปถ้าแม่ไม่สามารถที่จะ ทำบุญหรือปฏิบัติทําได้มันก็เป็นเรื่องของกรรมเราก็อาจจะช่วยได้ในทางอ้อมคือเอาหนังสือธรรมะไปวางไว้ที่บ้านมีซีดีอะไรวางไว้ถ้าท่านสนใจอยากจะเปิดอ่านเปิดฟังค่ะท่านก็อาจจะได้ธรรมะไปและสามารถจะเอาไปปฏิบัติได้เพราะก่อนที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติก่อน ต้องศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไม่สนใจจะศึกษาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเหมือนเด็กเหมือนลูกถ้าเขาไม่อยากไปโรงเรียนส่งเขาไปเรียนหนังสือเขาก็หนีเรียนอย่างนี้เราจะไปทำอะไรได้เราก็ทำหน้าที่ของเราไปชวนแม่แล้วถ้าอยากแม่อยากจะทำบุญก็มาแม่อยากจะมาวาัดมาฟังธรรมก็มาแม่อยากจะอยู่วัดปฏิบททัติธรรมก็จะมาส่ง จะสนับสนุนทุกอย่างแต่ตัวแม่เองจะต้องเป็นผู้ดำหริเป็นผู้ต้องการที่จะทำเราไปเชี่ยวเข็นบังคับกันไม่ได้เราต้องทำใจถ้าอยู่ในกรณีนี้เราก็อย่าไปทุกข์กับแม่เพราะทุกข์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องยึดหลักที่พระเจ้าทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น แม่ทำกรรมมาแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนี้เข้าไม่ถึงธรรมหนูก็ถามท่านอยู่นะว่าแม่กลัวตายไหมท่านก็บอกแม่ไม่กลัวแต่หนูก็บอกว่าแม่กายนี้มันทุกข์มันทรมานนะถ้าแม่รักษาใจตัวเองได้ก็ให้แม่อยู่กับคําพูดทูถ้าแม่รับกายนี้ได้แม่ก็จะได้กายที่ดีแต่ท่านก็คงจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าท่านก็ระลึกไม่ได้แล้วท่านก็จะบ่นแค่ว่าเนี่ยน้ําหนักแม่ลดนะ แม่ก็กินอะไรไม่ค่อยได้กิน<ถ>ไม่อร่อยถ้าท่านไม่ทุกกันแล้วไปก็ดีถ้าท่านไม่กลัวตายก็ก็ดีแล้วนี่ยแล้วอีกเคสหนึ่งก็คือน้องสาวหนูเขาทําฟาร์มเลี้ยงกระต่ายเจ้าพ่อหลวงพ่อเขาจะเป็นบาปไหมคะเอาเอากระต่ายไปขายไปฆ่ า, าหรือเปล่าขายแต่ไม่ได้ฆ่าคะ่ะ อ, อย่างลูกค้ามาซื้ อ, อไปอย่างเนี้ยคะ่ะคือถ้าไม่ได้ขายเพื่ อ, อไปฆ่ามันก็ไม่เป็นมิจฉาชีพนะแต่ถ้าเอาไป ขายแล้วเอาไปฆ่าเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะยังก็ยังไม่บาปพีในแ่วส่งเสริมการฆ่าเช่นคะขายเป็ดขายการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อที่เขาจะได้เอาไปฆ่าขายอย่างนอย่างนี้ก็ไม่ควรจะทําแต่ถ้าเลี้ยงสัตว์ได้ก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงไปอะไรไปเลี้ยงต่อไม่ได้ไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรสาธุเจค่ะมีคําถาม ไ, มไหมคุณต่ออ่ะอีกสักหน่อยแเราจะได้ปิดประชุม มาสการใช่ไเอออยากเรียนถามว่าอย่างอย่างเราเลี้ยงสุนัขอะค่ะแล้วตอนนี้เราต้องฉีดยากําจัดเห็บเขาทุกสามเดือนอย่างนี้เราก็อ่าก็บาปใช่ไหมก็ฆ่าเห็บนะก็เหมือนฆ่ามดฆ่าแมงก็มาแรงอะไรต่างๆมันก็บาปเหมือนกันออก็มีวิธีอื่นไม่ใช่ก็จะไปเลี้ยงแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนสงสารอืม แล้วอีกรื่องคนกะ็ปล่อยให้มันมีเห็บกินไปเรื่อยๆอาบน้ําเขาก็ไปปล่อยเขากไปเป็นเห็บมาอีกแล้วอ่ะก็ช่างมันไงเรื่องของมัน เ, เราไปทําบาปเพื่อมันทําไมแล้วอีกเรื่องนะคะแบบปลวกอะคะทอบกินบ้านนะคะแล้วก็เราก็ต้องสั่งคนมากําจัดปลวกเราอย่าสั่งแต่เราถามเขาถามเขาว่าบรษิษัทคนกําจัดปลวกหรือเปล่า ถ้าก็บอกกําจัดครับบ้านคุณอยู่ที่ไหนเราก็บอกเข้าไปถ้าเขาอาสามาทำนี่เราไม่บาปเราไม่ได้สั่งเขากำลังทุกข์ใจว่าก็าไม่โบหารการพูดไงไปจ้างเข้ามาเราบาปเราเราไม่ได้จ้างเราถามเขาเขาเขามาเสนอไม่บาปจริงๆอะค่ะอาจารย์ไม่บาปเราไม่ได้สั่ง สั่งให้เขาทำเราไม่ได้ทำเองไม่บาปคนกถึงปลวกเป็นล้านๆ้านตัวเลยแล้วถ้าเราถ้าเราสั่งบาปคุณช่วยมาจํากจัดปลวกให้เรอยหน่อยด<อ>ถ้าอย่างเงี้ยบาป<อ>แต่ถ้าโทรไปถามเขาว่าบริษัทคนนี้ทาอะไรคํา่ากําจัดปลวกที่บ้านเรามีปววลวกไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกเ็น ไ, ไดผ ม, มจัดการให้ออคค่ะ ท, ทุกใจตั้งนา น, นาแล้วค่ะทุกอย่างเงี้ยไม่บาป อย่างภาพบางทีต้องให้ญาติโยมตัดต้นไม้ก็บอกแม่ต้นไม้กิ่งไม้มันมามาคาหลังคาไม่รู้จะทาไงดีเดี๋ยวญาติโยมบอกไม่เป็นไรผมตัดให้ออย่างี้แต่ถ้าภาพไปสั่งให้ตัดต้นไม้ก็บกาปเพราะพระตัดเองก็บาปสั่งให้เขาตัดให้ก็บาปคําถามจ้าคุณอริยานะครับถ้านั่งสมาธิแล้วไม่สงบมีวิธีอื่นอีกไหมคะก็อย่าเพิ่งนั่งให้เจริญสติไปก่อนฝึกสติไปแล้ว เวลานั่งก็แทนที่ยันถ้าไม่สงบก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานๆสวดไปยาวๆและเวลาสวดก็ต้องให้มีสติอยู่การสวดเป็นอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสวดไปสักระยะแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดก็ลองนั่งต่อได้แสดงว่าใจเริ่มหยุดคิดแล้วพอหยุดคิดเราก็ไม่อยากจะสวดแล้วก็แสดงว่าหยุดคิดได้แล้วเราก็เลยนั่งต่อไปได้นั่งดูลมแล้วนั่งพุทโธไป คำถามจากคุณกิจปปนนะครับการช่วยชีวิตสัตว์ถ้าช่วยสัตว์แล้วสัตว์มีชีวิตรอดกับถ้าช่วยสัตว์แล้วมันไม่รอดบุญที่เราทำต่างกันไหมครับบุญที่เราทำมันไม่ต่างอะเพราะเราทาเรามีเมตตาเนความเมตตานี้มันเกิดจากการที่เราไปช่วยเหลือเขาการช่วยเหลือเขานี่เป็นความเมตตา ส่วนเขาจะรอดไม่รอดนี่มันเป็นกรรมของเขาไม่เกี่ยวกันเราได้บุญแล้วจากการที่เราไปช่วยเหลือเขาจากคุณเอกเอกเอกเอกัอกอกกบพบนะครับเอกกับพบครับผมอายุสามแปดอยากบวชตลอดชีวิต แต่จะลาออกจากงานเพื่อดูแลแม่สักหนึ่งปีแล้วค่อยบวชจะเหมือนเป็นการอกตันยูไหมครับเพราะหากบวชก็จะไม่ได้ดูแลท่านอีกได้ดูแลได้หลวงตาหมาบวชท่านบวชแล้วท่านก็เอาแม่ไปบวชต่อตอนที่เราบวชช่วงแรกๆ ก, ก็ยังไม่พร้อมก็ให้แม่รอไปก่อนพอเราบวชแล้วเราเสร็จภารกิจทางการบวชแล้วเราก็เอาแม่ไปบวชไปเลี้ยงดูแม่ได้ เราพึ่งตัวเราเองได้แล้วเราอยู่กับที่ได้แล้วไม่ต้องไปทุดงไม่ต้องไปไหนอยู่ประจําที่ถ้าแม่อยากจะบวชเราก็เอาม่มาบวชได้ถ้าแม่ไม่บวชถ้าแม่ไม่ไ ม, ไม่มีใครเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เราอาหารที่ได้จากบิญฑบาสนี้ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้คําถามจากคุณสุประชัยนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเอาไว้ขายและกินเองจะบาปไหมครับถ้าเป็นการค่ามันก็บาปนะ คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณวัฒนะนะครับผมเป็นผมเห็นข่าวการแปโลหิตเป็นพระธาตุของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่เพิ่งละสังขารไปบางคนก็วิจาร์ไปในทางลบหลูต่ต่างๆนานาการวิจาร์แบบนี้จะทำให้ผู้ที่วิจารเป็นบาปใหม่ครับคือ การวิจารณ์ในสิ่งที่เป็นมงคล น, นี้ก็จะทําให้คนนั้นไม่ได้รับมงคล น, นั้นเองคือเขาก็จะไม่มีศรัทธาความเชื่อแล้วเขาก็จะไม่ไม่ได้รับประโยชน์การที่เราเชื่อในสิ่งที่เป็นมงคลเช่นเชื่อพระธาตุนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะปลูกศรัทธาของพวกเราให้เราอยากจะทําความดีกันอยากจะทําบุญกันอยากจะปฏิบัติอยากจะออกบวชกัน เพาการเป็นพระาธาตุของเลือดกด็ดีของกระดูกก็ดีนี้เป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ไร้ผลปฏิบัติแล้วหลุดพ้นได้เป็นพระอาหารหันต์ได้พระอาหารหันต์มีจริงๆนี่คือเป้าหมายของการเชื่อในเรื่องพระาธาตุมีเท่า น, นี้เป็นเป็นการปลูกฝังสร้างศรัทธาของเราให้มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ ิบัติแล้วเราต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นได้เหมือนกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นกันถ้าเราไม่เชื่อเราไปลบหลู่เราไปประนามเราก็ได้ความสนุกจากการพูดไปเท่านั้นเองแต่เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากาจากการที่ได้พบเห็น พ, พระธาตุเพราะเราจะไม่มีศรัทธาที่อยากจะไปปฏิบัติไปศึกษาเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไร คำถามน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับจากคุณจําเพนนะครับเราทําอาหารเตรียมใส่บาตรทุกวันแต่จะมีอีกคนมาเอาไปใส่บาตรเวลาพระมาเราได้บุญหรือไม่คะอ๋อได้ถ้าอาหารเป็นของเราเป็นทรัพย์ของเราที่เราไปซื้อมามาทําเองนี่เป็นของเราหมดคนที่เอาไปเขาได้บุญในอีกแบบหนึ่งบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้สงก็ต่างกันไปคนทําบุญทําทานด้วยข้าวของก็ ก็จะได้เข้าของกลับมาก่อนที่ทำบุญด้วยการรับช่วยรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปก็จะมีผู้อื่นมารับใช้ช่วยเหลือเขาเป็นบุญคนละชนิดกันนรรศการหลวงพ่อคะ่ะหนูอยากทราบว่าเมื่อสองสองวันหนูนั่งสมาธิอะค่ะความคิดของหนูคือไม่อยากนั่งแต่ตอนหนูนั่งไปแล้วนะคะแต่มันเกิดว่าไม่อยากนั่งแต่นั่งไปปับ๊บ ความคิดว่าไม่อยากนั่งแต่ใจอ่ะอยากจะนั่งต่อไปเรื่อยๆหนูอยากจะถามว่าแล้วแต่หนูก็นั่งสืนนั่งนะคะไม่ทำํำตามความคิดหนูทําถูกไหมคะแล้วอยู่อยากทราบว่าความคิดกับใจเนี่ยมันคนละตัวใช่ไหมเจ้าคะเออมันตัวเดียวกันเนพะียงแต่ว่ามันคิดไปสองทางใจหนึ่งก็คิดไปทางธรรมะใจหนึ่งก็คิดไปทางกิเลสเวลาปฏิบัติธรรมเรามักจะต้องต่อสู้กับกิเลสเสมอกิเลสมันจะชวนให้เราไม่นั่ง ธรมะเขจะชวนให้เรานั่งยันอยู่ที่ละเราจะเชื่อใครถ้าเชื่อธรรมเราก็นั่งไปถ้าเราเชื่อกิเลสเราก็เลือกนั่งสาธุค่ะแต่หนูนั่งเจ้าค่ะนั่งก็แสดงว่าเราเชื่อธรรมเราก็ชนะกิเลสคือตาหนูไม่ไม่ไมคือคือความคิดหนูไม่อยากนั่งแต่ตาหนูก็คือใจกับใจหนูบอกตาไม่อยากลืมมือไม่อยากออกอ่านั่นแหะใจมันมีสองสองพวกอยู่ในใจเราแย่งกันแย่งใจนี่ว้ใจเนื้ พวกหนึ่งก็ดึงให้เราไปนั่งสมาธิพวกหนึ่งก็ดึงให้เราไม่นั่งมันชักก็เยอะกัน<ฆ>อยู่ที่ว่าเราจะเอาฝ่ายไหนหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ